รรมาจากกับประวัตนสูตรข้อ13ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่วาภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่พึงเสพกล่าวคือ 1. กามสุขันลิกานุยโยกในกามทั้งหลายในวงเล็บการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถิชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบเพื่อประโยชน์ 2. อ, อัตตกิรมัายานโยกในวงเล็บการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบเพื่อประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชชิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นแตถาคตได้ตรัสรู้เองอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุกวงให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายก็มัชชิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุกก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นไฉนะมัชชิมาปฏิปทานั้นได้แก่อรอยิยมรรคีองแปดนี้แหละคือหนึ่งสมมาทิฏฐิเห็นชอบ สสัมมาสังกัปปะดำมริชอบสมสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากัมมันตะกระทำชอบหาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบเจสัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้คือมัชฌิมาปฏิปทานนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุขก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานข้อ14บภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บ ก, ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุทญยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกํหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะนิโรธอริยสัจคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสลัดความสละทิ้งความพ้นความไม่อะไรในตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะนิโรทคามมนีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีวงค์แนี้แหละคือ 1. สัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะ สสัมมาวาจาสี่สัมมากรรตะหสัมมาอาชีวะหสัมมาวายามะเจส ม, มาสติ 8. สัมมาสมาธิข้อ 15. ภิกษุทั้งหลายจากสู่เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจภิกษุทั้งหลาย จากสู่เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาก็เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขอริ 0000, ยสัจนี้ควรกำหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจากสู่เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า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 ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากอนนี้อยู่ธรรมจักษุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่ท่านพระโวนธัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาข้อ17คันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรม มจักให้เป็นไปแล้วถวยเทพชั้นภุมมะกระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิ ป, ปตนมรุคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ถวยเทพชั้นจาตุมหาราช สดับเสียงของถวยเทพชั้นภูมมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นดาวดึงเสดับเสียงของถวยเทพชั้นจ่าตุมหาราชแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นยามาถวยเทพชั้นดุสิตถวยเทพชั้นนิมมานราดีถวยเทพชั้นปารนิมมิตตวสว ด, ดีถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรม ระดับเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรณนิมมิตวั ส, สวัีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจากอันยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแ ล, แล้วณป่าอิสิปตน บ, บุรุษายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้น เสียงเป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ทั้งหมือนโลกธาตุนี้ก็สั่นเสะเทือนเลือนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทา น, นีว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลาย โกนธั ญ, ญะได้รู้แล้วหนอดังนั้นคำว่าอัญญากโกนธั ญ, ญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนธั ญ, ญะนั่นแหล